ตอนแก้โกรธผูดเรื่องผูกโกรธแล้วต้องว่าเรื่องแก้โกรธอีกหน่อยเรื่องผูกโกรธนั่นเรื่องโลกเรื่องแก้โกรธเป็นเรื่องธรรมผูกโกรธใครๆก็ผูกเป็นไม่ต้องเรียนวิธีผูกก็ผูกได้ส่วนแก้โกรธต้องหาวิธีต้องหาคําแนะนําไม่เช่นนั้นแก้ไม่ตกเหมือนเป็นไข้กับ แก้ไขนั่นแหละบทเป็นไข้ไม่ต้องใช้หลักอะไรเด็กผู้ใหญ่โง่หรือฉลาดเป็นไข้เป็นทุกคนแต่บทจะแก้ไข้สิต้องหาวิธีแก้จึงจะตกจะแก้โกรธให้ตกก็ต้องแก้ทิฐิของตนเองให้ตกก่อนคือคนบางคนจะเลิกโกรธก็กลัวว่าตัวจะเสียเปรียบคิดว่าตัวไม่เก่งคิดอย่างนี้ผิด จะเสียเปรียบตรงไหนและไม่เก่งอย่างไรเมื่อใครเขายิงลูกศรมาปักที่ตัวเราแล้วเราไม่ยอมชักลูกศร อ, ออกคิดไปว่าถธอดึงออกเสียก็กลัวเสียเปรียบคนยิงและกลัวใครๆเขาจะว่าไม่เก่งคิดอย่างนี้ผิดหรือถูกถามจริงๆเธอความจริงใครชักออกได้เร็วเท่าไหร่ก็ยิ่งได้เปรียบ แต่ยิ่งน่านับถือว่าเก่งไม่ใช่หรือความโกรธก็เหมือนกันเมื่อคนอื่นทำให้เราโกรธแล้วเราไม่ผูกโกรธเอาไว้ทอนความโกรธทิ้งเสียมันจะเสียเปรียบอย่างไรยังมองไม่เห็นเราสิเก่งไม่เก่งจะเลิกโกรธได้หรือคนเลิกโกรธไม่ได้น่ะสิคนไม่เก่งโกรธนิดเดียวก็เลิกไม่ได้หน้าไม่อาย แก้ความเห็นของตนเองได้แล้วจึงค่อยปฏิบัติขั้นต่อไปงา น, นแก้โกรธนั้นถ้าจะให้สมบูรณ์จริงๆต้องทำถึงสองขั้นคือ 1. เลิกโกรธ 2. คืนดีงานขั้นแรกคือการเลิกโกรธท่านทราบอยู่แล้วว่าที่ว่าโกรธโกรธนั้นเราโกรธที่ใจเราไม่ได้ไปทำโฉนดตราจองความโกรธไว้ที่ไหน ไม่ได้จดทะเบียนโกรธไม่ได้ทำสัญญาโกรธเพียงแต่ว่าเราโกรธอยู่ในใจของเราคนเดียวเท่านั้นจะเลิกเมื่อไหร่ก็ได้ไม่ต้องเสียเวลาเสียภาษีอากรอะไรเลยวิธีปฏิบัติตรวจดูใจเราเสียก่อนว่าเวลานี้เราผูกโกรธกับใครไว้บ้างถ้ามีมากรายลองเขียนใส่กระดาษดูก็ได้หนึ่งใครสองใคร สใครเขียนให้หมดทุกรายอย่าเว้นนึกเสียว่าเราสำรวจบัญชีนักโทษที่เราเอาโซ่คือความโกรธผูกไว้ก็แล้วกันเขียนรายชื่อหมดแล้วลองจัดลำดับโทษดูตั้งแต่คนที่เราโกรธมากที่สุดเรื่อยไปตามลำดับจากมากไปหาน้อยเสร็จแล้วก็พิจารณาเลิกโกรธ คือแก้โกรธที่ผูกเอาไว้กับคนนั้นปล่อยไปทีละคนละคนตั้งแต่โทษเบาที่สุดคือโกรธน้อยไปหาโทษหนักมากตามลําดับถ้าใจเราไปสะดุดคนไหนคือยังตัดใจเลิกโกรธไม่สะดวกใจช่างเหลือไว้ก่อนอย่าเพิ่งปล่อยทีนี้จะทำอะไรกับนักโทษที่ยังไม่ปล่อยละ่ะหากระดาษตินสอมา เริ่มแต่เรื่องคุณความดีของนักโทษคนนั้นตั้งชื่อเรื่องตรงๆสมมุติว่าแม่คนที่เราโกรธนั้นชื่ออิ่มก็ให้ชื่อเรื่องว่าเรื่องคุณความดีของคุณอิ่มแล้วก็บรรยายคุณความดีของเขาตามเป็นจริงสักหนึ่งถึงสองหน้ากระดาษก็พอหรือทําได้มากยิ่งดีถ้อยคำที่ใช้ในเรื่องให้ใช้แต่คําสุภาพล้วน คุณอิ่มอย่างนั้นคุณอิ่มอย่างนี้เขียนได้หน้าสองหน้าเท่านั้นแล้วสังเกตดูใจท่านเองจะรู้สึกเปลี่ยนแปลงไปแย่ยิ่งเขียนไปยิ่งรู้สึกว่าการที่จะเลิกโกรธกับเขายิ่งง่ายเข้าทุกทีถ้าเขียนไม่ถนัดใช้พูดก็ได้คือให้พูดสรรเสริญคุณอิ่มต่อหน้าคนราวสองถึงสมคนยิ่งต่อหน้าคนมากยิ่งดี การพูดต้องพูดให้เต็มปากเต็มคำพยายามทำอย่างนี้หลายๆหลหนใจท่านจะค่อยๆคลายความโกรธลงจนถึงเลิกผูกโกรธในคนคนนั้นได้วิธีเหล่านี้ใช้สำหรับคนที่เราโกรธมากๆเลิกผูกโกรธยากข้าพเจ้าเองเคยมีคนที่ผูกโกรธไว้อย่างหนานแน่นสคนในชีวิตคนหนึ่งอยู่ประเทศเขมรคนหนึ่งอยู่ภาคอีสาน คนหนึ่งอยู่ในกรุงเทพนี่เองสามคนนี้ข้าพเจ้าตีตรวนไว้คนละ10บขุนยี่สิบหุนทั้งนั้นเวลานี้ปล่อยได้หมดเรียบร้อยแล้วคนสุดท้ายปล่อยได้เมื่อประมาณ6ปีที่แล้วนี่เองเวลานี้ไม่มีหนักโทษเหลือเลยสบายดีจริงเวลาแผ่เมตตารู้สึกว่าทำได้สะดวกสบายไม่ตะกุกตะกากเหมือนก่อน ที่พูดนี้ไม่ใช่หมายความว่าข้าพเจ้าละกิเลสได้กิเลสในใจของข้าพเจ้าเวลานี้ก็ยังรุงรังเห็นจะสางกันอีกนานที่เล่าไว้นี้เล่าสู่กันฟังว่าได้ลองฝึกหัดเลิกโกรธคือให้อภัยดูและเห็นผลทางสบายใจสงสัยว่ามันจะกลับไปโกรธเขาอีกหรือเปล่าก็ไม่ทราบคอยดูไปก่อนโปรดเธอ คนที่ท่านผูกโกรธไว้ดูๆก็เหมือนนักโทษที่ท่านจับขังไว้ในคุกแล้วเล่นขังลืมเสียแยะบางคนเวลานี้ท่านเองก็จำไม่ได้แล้วว่าเขามีความผิดอะไรบทโทษไปนานแล้วก็ไม่ปล่อยเห็นแล้วน่าสงสารวันนี้ข้าพเจ้าขออุปโลกตัวเองเป็นผู้แทนของคนเหล่านั้นขอยื่นเรื่องราวร้องทุกข์ต่อท่านขอให้ท่านพิจารณาเป็นรายตัวอีกทีว่า ควรจะปล่อยได้แล้วหรื อ, อยังงานขั้นที่สองคือคืนดีกันเรื่องนี้ข้าพเจ้าเองก็เห็นใจโกรธกันตั้งนานแล้วทีแรกก็ทําเป็นงอนเพื่อให้อีกคนงอ้อเสร็จแล้วต่างคนต่างใจแข็งไม่มีใครงอใครเมื่อต่างคนต่างเฉยใจก็ยิ่งห่างกันออกเลิกโกรธแล้วก็ไม่รู้จะคืนดีได้อย่างไร บางคู่เป็นผัวเมียกันแท้ๆทำงอนไปงอนมาเลยห่างกันออกจริงๆหายโกรธเขาตั้งนานแล้วแต่คืนดีอย่างไม่ได้บางคนอยากให้เขามาคืนดีกับตายหรืออยากไปดีกับเขาแทบใจขาดแต่ก็เข้าไม่ติดลาบากจริงๆมันอายๆเหนียมเหนียมชอบกลถ้าอย่างนี้เห็นทีมีทางเดียวคือใช้สื่อกลาง เหมือนตอนหนุ่มสาวจะรักกันใหม่ๆนั่นแหละแต่ซื้อรักเก่าอย่างนี้ไม่ยากเย็นเหมือนรักใหม่ให้ได้พูดกันคําเดียวก็เสร็จเรื่องตอนเมื่อไอ้ทุยเป็นทูตเมื่อเรื่องปรําลราเล่ากันมาทีเล่นทีจริงว่าผัวเมียคู่หนึ่งเป็นคนชาวนาจะขัดข้องหมองใจกันมาด้วยเหตุใดไม่แจ้ง แต่ตึงกันมาหลายเพลาเต็มทีแล้วต่างคนต่างไม่พูดกันยิ่งนานวันเข้าลิ้นยิ่งกระด้างเข้าทุกทีไม่รู้จะขึ้นต้นไว้อย่างไรทั้งทั้งที่หายโกรธตั้งนานแล้วอยู่มาจนกระทั่งหน้านาสองตายายพากันลงนาทั้งทั้งที่เป็นใบอย่างนั้นแหละฝ่ายผัวไถานาเสร็จแล้วก็อยากจะถามเมียว่าควรจะหวานข้าวสักกี่กระบุง แต่ไม่รู้ว่าจะเจราจาสถานใดพูดประเดี๋ยวจะว่าง้อไปข้างหน้าจะเคยตัวพอดีเห็นไอ้ทุยอยู่ใกลๆ้ๆตาผัวเลยใช้ไอ้ทุยเป็นสื่อนี่ไอ้ทุยถามเขาสิจะให้หวานข้าวกี่กระบุงผัวเริ่มเจราจาผ่านไอ้ทุยบอกเขาสิไอ้ทุยหวานเท่ากับปีกลายก็แล้วกัน นางเมียตอบผ่านทุยเหมือนกันแล้วปีกลายหวานเท่าไหร่ทุยถามเขาสิเขาจําได้ไหมผัวว่าทุยบอกเขาสิก็ตัวเป็นคนหวานเองยังจําไม่ได้เหรอหาเรื่องจะพูดกับเขาก่อนใช่ไหมล่ะเมียย้อนเปล่ายะเขาพูดกับไอ้ทุยทั้งหากล่ะตัวสิมาพูดกับเขาก่อนพูดกับไอ้ทุย คืนนี้นอนกับไอทุยสิแล้วก็ดีกันเพียงแต่ไอทุยก็ใช้เป็นทูตสันติให้ผัวเมียคืนดีกันได้ด้วยประการชนี้แลคนที่จะคืนดีกันหาแม่สื่อได้ไม่ยากเหมือนตอนจะรักกันใช้ลูกก็ได้คนใช้ก็ได้ไม่มีอะไรหมาแมวก็ได้ดูแต่ไอทุยสิพูดไม่ได้สักคำ ยังเป็นทูตสันติให้คนได้